วันนี้นี้ฝนตกหลังคาสังกะสีมันก็เลยส่งเสียงดังเวลาจะฟังก็จะลำบากไปหน่อยตามตามธรรมดาเวลาฝนตกเราก็จะใช้เวลานั่งสมาธิกันไปก่อนรอให้ฝนหยุดก่อนฝนหยุดแล้วพอเสียงเบาแล้ว เราค่อยคุยกันดีไหมลองนั่งรอสักสิบ้านาทีนะเราก็ฟังเทศมาเยอะแนละ้วลองนั่งสมาธิกันบ้างบรรยากาศเย็นๆสบายๆมีฝนพรำๆนะลองลองนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วแต่ แล้วแต่จะถนัดเพราะตอนนี้พูดแล้วมันไม่ค่ครได้ยินก็ลองนั่งสมาธิกันทักๆหนึ่งทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุขความสุขความทุกข์นี้อยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราคุดมากก็ทุกมากคิดน้อยก็ทุกน้อย ถ้าไม่คิดเลยก็จะไม่ทุกข์เลยตอนนี้เรามาควบคุมความคิดกันหยุดความคิดกันให้ได้ถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วเราจะมีความสุขเราไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจนี่แหละ เงียบสงบแล้วก็จะสบายถ้าเรามีความสุขจากสิ่งนั่นสิ่งนี้จากคนนั่นคนนี้เวลาคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้จากเราไปเราก็จะเสียใจแต่ความสุขที่ได้จากการไม่คิดนี้มันไม่จากเราไปมันจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราหยุดความคิดได้ทำใจให้สงบได้ทำใจให้นิ่งได้ เราก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรนี่แหละคือความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของพระอาหารปัสาวกทั้งหลายท่านไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหมือนพวกเราท่านไม่มีลาบยศสรสเเรเสริเหมือนพวกเราท่านไม่มีความสุขทางตาหูจมูกรื้นกายเหมือนพวกเรา แต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าพวกเราเพราะท่านได้ความสุขแท้ความสุขที่ไม่มีความทุกข์าะเป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่เป็นความสุขอย่างที่พวกเรามีกันความสุขที่พวกเรามีกันนี่เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็มีดับมาแล้วก็มีไป แต่ล้วแล้วก็มีเสื่อมนี่คือความสุขที่พวกเรามีกันทุกวันนี้พวกเราจึงต้องร้องหย่ร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันเวลาที่ความสุขที่เราได้ที่เรามีนี้มันเสื่อมไปมันหมดไปเราจึงควรที่จะมาหาความสุขแบบใหม่กันมาหาความสุขแบบของพระพุทธเจ้า แบบของพระอ า, าราันตราตถาภพันมาทำใจให้นิ่งให้สงบอย่าให้คิดอะไรถ้าจะคิดก็ให้คิดแต่พุโทโธพุธโทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวขอให้เชื่อพระพุเจ้าเถิดว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่จะนามาซึ่งความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวนความสุขที่ไม่มีความทุกข์า ม, มา พยายามฝึกพูดโทรพูดโทไปเรื่อยๆพยายามอย่าไปคิดพยายามอยู่คนเดียวเพราะเวลาที่เราอยู่กันหลายคนเราก็เกรงใจกันเลยต้องพูดคุยกันเพราะถ้าต่างคนต่างเฉยก็ไปคิดว่าไม่พอใจหรืออย่างไรไม่ไม่ชอบหรืออย่างไรเลยต้องทักกันคุยกัน พอคุยกันแล้วก็ฟุ้ง เ, เกิดอารมณ์เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าอยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องพูดคุยกับใครเราก็จะสามารถควบคุมความคิดได้สามารถพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปได้ถ้าเราเบื่อพุโทโธเราสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจ อาวนาหังสัมมาสัมพุโทโธพระสวัสดิ์ทางพระกวนตังอัคคีวาเดมิสวดไปสวดกลับไปกลับมาสวดเพื่อให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆสวดไปภายในใจอยู่ในเอเรียบทไหนก็สวดได้พุโทโธได้จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็พุโทโธได้สวดได้ ไม่ถือว่าเป็นการไม่เคารพถ้าเราทำอยู่ภายในใจเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายการสวดมนต์การบริกรรมพุทโธนี้เป็นการปฏิบัติทางจิตใจไม่ได้ปฏิบัติที่ร่างกายนั่งกายจะอยู่ในเอเรียบทไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาก็คือขอให้เรามีพุทโธพุทโธอยู่ไปเรื่อย ถ้าเราไม่มีพุโทโธหรือถ้าเราไม่ได้สวดมนต์นี้ก็เหมือนกับเราไม่ได้ปฏิบัติเมื่อเราไม่ปฏิบัติใจของเราก็จะไม่สงบเราก็จะไม่มีความสุขใจแล้วเราก็จะต้องไปหาความสุขจากสิ่งที่เป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเวลาหมดไปก็เสียใจ แล้วก็ต้องไปหามาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็เสียใจดูมาหาความสุขที่เราหาได้อยู่ตลอดเวลาทุกแข่งทุกขนทุกปสานที่ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรก็ตามร่างกายจะแก่ไม่แก่ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บร่างกายจะตายไปหรือไม่ตายไปก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ขอให้เรามีพุโทโธพุธโทโธไปสายในใจขอให้เราหยุดความคิดให้ได้ถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้พุโทโธก็ยิ่งดีอ่เพียงสั่งสั่งจิตให้หยุดคิดจิตก็หยุดคิดได้เลยไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเร่องนี้หรือถ้าจะให้คิดใ่าคิดไปในทางปัญญา คิดเปนในทางที่จะทำให้ใจเราสงบคิดเปนในทางที่จะทำให้เราตัดความอยากของารที่เป็นต้นเหตุของความไม่สงบของใจเช่นให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราทั้งวันหนึ่งเราจะต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องมีการพัา ก, กจากกันไป ให้คิดอย่างนี้ถ้คิดอย่างนี้แล้วใจก็จะสงบได้เหมือนกันอ ย, อย่าไปคิดตามความหลงว่าเราจะอยู่ไปนานๆสิ่งต่างๆที่เราไีอยู่นี้จะเป็นของเราไปกับเราตลอดเวลาถ้าจะจากเราก็จากไปพร้อมๆกับเราเวลาที่เราตายมันไม่แน่นอนบางทีของบางอย่างมันจากเราไปก่อน บางทีแฟนของเราจากเราไปก่อนบางทีสามีภรรยาของเราจากเราไปก่อนบางทีลูกของเราจากเราไปก่อนไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะต้องไปพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่เราควรจะคิดกันเพื่อที่เราจะได้เห็นโทษของการอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรา แล้วมาหาความสุขจากการหยุดคิดดูสิา ก, การทําใจให้สงบจากการใช้พุโทโธพุทโธจากการใช้การสวดมนต์พยายามทําไปเถอดอยากขี้เกียจเหตุที่พวกเราไม่ค่อยได้ผลกันกเพราะพวกเราไม่ทํากันวันหนึงพุโทโธได้สักกี่นาทีกันวันหนึ่งมี24ชั่วโมง พุทโธถึงชั่วโมงหนึ่งไหมสวดมนถึงชั่วโมงหนึ่งไหมเอาไปคิดถึงขนมเอาไปคิดถึงอาหารเอาไปคิดถึงเรื่องเครื่องดิมเยอมากกว่าคิดถึงที่นั่นที่นี่สิ่งนั้นสิ่งนี้คิดไปแล้วก็ไม่สงบคิดไปแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความอยากเกิดความวิตกเกิดความห่วงใย เกิดความกลัวขึ้นมามันก็เกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นนีละถ้าใจเราไม่คิดแล้วเราจะไม่มีความกลัวจะไม่มีความหลงจะไม่มีความรักจะไม่มีความชังความรักชังกลัวหลงนี่มันเกิดจากการที่เราคิดกันพอเราคิดถึงร่างกายเราเราก็กลัวละกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายละ พอคิดถึงเงินทองก็เกิดความโลภอยากได้เงินทองแล้วก็อยากจะให้เงินทองนี้ไม่ไม่หายไปจากเราพอเงินทองหายไปจากเราเราก็เสีย อ, อกเสียใจฉะนั้นขอให้พวกเรามาหัดนั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกัน เดี๋ยวเราจะนั่งต่อไปสักพักหนึ่งพอเสียงฝนมันค่อยเบาลงแล้วพอคุยกันได้ก็จะคุยกันต่อไปคนที่อยู่ที่บ้านก็นั่งสมาธิไปด้วยกันก็ได้นะใครอยู่ที่ไหนก็สามารถนั่งสมาธิได้หลับตาดูล ม, มหายใจเข้าออกก็ได้จะพุดโธพุโธไปอย่างเดียวก็ได้ หรือจะผสมกันก็ได้พูดเข้าโทรออกก็ได้แล้วแต่ความถนัดบางคนชอบอย่างเดียวชอบพุดโทรอย่างเดียวก็พุดโทรไปอย่างเดียวอยู่กับคาว่าพุดโธไปบางคนชอบดูลมหายใจอย่างเดียวก็ดูลมไปดูลมที่ปลายจมูกหรือที่กลางหน้าอกลมมันจะสัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะรู้สึกที่กลางอก เวลาลมหายใจเข้าก็จะพองขึ้นมาเวลาหายใจออกก็จะยุบลงไปแล้วแต่จะชอบดูตรงไหนก็ดูเป้าหมายของการทำนี้เพื่อไม่ให้ไปคิดไม่ให้คิดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ว่าจะสงบหรือยังจะสงบเมื่อไรเวลานั่งแล้วเห็นอะไรได้ยินอะไรก็อย่าไปสนใจ ให้อยู่กับพุทธโธไปอยู่กับลมไปเราไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการรู้อะไรเราต้องการความนิ่งความว่างความสงบขอให้เราพุทธโธไปไปหรือดูลมกันไปสักคู่นึงแล้วเดี๋ยวพอเสียงเบาลงแล้วเราจะมาสนทนาธรรมกันต่อคิดว่าฝนโทยจะไม่อยู่แล้วนะ ก็ลองคุยกันไปถ้าอยากจะมีอะไรถามก็ถามมาได้รงจะจบนี้ไปเรื่อยๆก็เลยถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ถามไดท้ทางบ้านมีอะไรอยากจะถามก็ถามได้มีไหม มีมีคนเข้ามาเท่าไหร่แนละ้วตอนนี้ก็ประมาณสองรอยคนครับอาจารย์องร้อนไม่มีที่ไหตรงไหนมีสองร้อยกว่าครับสองร้ยเกือบสามรอยมีที่ไหนฝนตกบ้างครับรายงานเข้ามาบ้างว่าที่ไหนฝนตกบ้างที่ไหนฝนตกบ้างก็บอกม่ได้คนระับ พี่จอนามรณาิสติเป็นประจัเนี่ยนะคะคือเป็นที่ที่ยงเป็นประโยชน์มากๆแต่ว่าเนี่ยพจารณาคะเพื่อนยงอายุ60สะเกษียนมาได้หนปีทางานมาสี่สิบปีก็เสียชีวิตไปแต่ว่าเพื่อนที่เหลือเนี่ยยังไม่ไดวนตรงนี้ถ้าที่เห็นจัดจบเรื่องทุกทัดเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูนะคะพอละไปที่คนจะไปดูทาง ก็มีการจัดงานรื่นมีปาร์ตี้มีเล่นสนุกกันไปตรงนี้ใครก็จะใช้ f a c e b o o แล vale. no, insight, no, right so yeah. ้วก็ใช้ l ล n ์ในการที่กดไลค์กันรื่อยงานปาร์ตี้3วันใช้ไม่จบอย่้ตรงตงนี้ทำไงจะให้ที่เจรนามขัาใเข้าใในใจว่าเราก็ต้องตามของเพื่อนของเราอย่างเงี้ก็ต้องไปดูสอบบ่อยๆต้องเห็นบ่อยๆเห็นเรื่อยเรื่อ ก็่จะได้ไม่ลืมถ้ามันไม่เห็นเดี๋ยวมันลืมล้ามันก็จะไปคิดเรื่องอื่นแทนแถ่ายรูปไว้ชยด้ได้ดูได้ทุกวันทุกเวลาสิบ ต, ตัวไว้เปดดูเมื่อไหร่ก็ได้จนกว่มันจะจำได้ใจเราไม่ค่อยชอบจำเรื่องเรื่องพวกนี้เพราะใจยังมีความอยากจะอยู่ ยังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายเลยทําให้ไม่อยากจะคิดถึงความตายของร่างกายเพราะว่าถ้าร่างกายตายไปแล้วก็จะไม่สามารถหาความสุขอะไรได้เพราะว่าเขายังไม่มีทางสามารถที่จะหาความสึขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้การจะพิจารณาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อนเนื่องได้นี้ ต้องมีความสุขทางใจก่อนถ้าไม่มีความสุขทางใจนี้ก็ไม่อยากจะชิดเฉยกับความกายของร่างกายอยจะลืมลืมมันแล้วก็พยายามหาความสุขใจทางร่างกายให้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะร่างได้เดี๋ยวกจะมาเจอของจริงตอต่างนั้นก็จะแย่จะลำบากเพราะว่าตปตัวเองสามตัวเองของตัวเองเลยแห่งใจ ถามหมอหมอบอกว่าเป็นโรคร้ายรักษาไม่ได้ต่างตายไปใน3เดือน6เดือนเวลานั้นมันก็จะอยากจะฆ่าตัวตายช่วงนี้เรมากหมดเดืนเดียวหายไปที่ตาจะไม่เจอทางไลายก็ผิวทิ้งไปแล้วแต่ถ้าะช้เล่นลนยก็เฟซบุในในในเรื่องสำคัเออ ผมไล่เที่ไม่ได้เกี่ยวกับทำานใชไมคเกือบจะ20ชั่วโมงเป็นจุดประจักษ์มากเลยใช่ไหมครใช่คนที่จะอย่าไปยุ่งเอ้ามาถ้าเราต้องการความสงบเราอย่าไปรับรู้เรื่องราวตงๆันนคจะเป็นไมรว่าไม่ต้องไม่ต้องเล่นเลยไม่ต้องเล่นเล่อ่นเลยเอาไว้สาหรับติดต่อธุะป่าปังเรื่องสิ่งที่จาเป็นจริงๆ ถ้าไม่จำเป็นก็ปิดเครื่อง่อดีกว่าเอาไว้โทรออกอย่างเดียวรู้จักลิ้นธรรมะวันนี้มีลายเยอะมา ก, ก็ลยเอาหนังสือธรรมะดีกว่าหนังสือธรร ม, มะซีดีธรรมะอำถามอาจา่างยังมขึ้นมาแล้วสุดท้ายนี่นกเกิดขึ้นจาตัวเอง เคยเนแอร์กแต่ว่าตนนีชินงาัเป่นไปตาสภาพพาพิจารณาส่งที่นเปลี่ยนแปไปในร่างกาย้มั น, รรมนเป็ น, รรร น, นประโยชน์การเมื่อ น, นายเร่เดือนใางถูกต้องให้เราปล่อยวางอย่าไปยึดกี่วไปติดอย่าไปพึ่ง ม, ม, มันเพรามันพึ่งไม่ได้หน้ามื้นขาวไปเลยนะาไปที่เดือนเราก็ห้ามมันไม่ได้ไมันเป็นหน้าตา ยังดียังดีกับมันบวมแบบเวลาคนตาย3มวันสี่วันขึ้นเอิดดูซากศพดูเนี่ยอนาคตร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนี้กันทุกคนสมัยก่อนเขาจะเอาศพไปทิ้งไว้ในสาชา้าเขาไม่เผาไม่ฝังกว่าให้ร่างกายหมาเหมือนากัดมากินแล้วก็ได้เห็นสภาพของร่างกายที่มัน มันแปลงสภาพไปขึ้นอืนสามวันแล้วแล้วก็มีหนอนมีกัดแมลงกัดตัดมาแทะมากัดแขนขาหลุดไปเปมาทิศพลทางนี่คือร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราเราตักันไหม ก็เราจะได้กรงว่าอยากไปหลงหลายครางไทยกัมาเยอะเสียเงินเสียทองกับการดูแลรักษาร่างกายนี้มากมายก่ายกองมาเลิกภาษาระกับเครื่องสมมงเครื่องสมานการเครื่องเสริมความงามต่างๆหมดเป็นเงินเป็นทองเยอยะเอาเงินทองนี้มาใช้กับสิ่งที่ยังเป็นดีกว่าเอามาใช้กับการซื้ออาหารซื้ออะไร ถ้าเราจะได้มีเวลานำปฏิบัติธรรมได้เรื่จะเข้าวัดมากแล่ถามหมอใช่สค่ะ น, นี้มีใครอยากจะถามอะไรหรมวันนี้มาจาดประทุมค่ะวันวนาาี้เป็ามาจากประทุมค่ะประทุมมาจากประุมออมาครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะ อก็ดูในนั้นก็นดูที่นก็เหมือนกันนี่แหะอยากจะเห็นตัวจริงเสียงจริงามาแล้วก็ควรจะถามปัญหาอะไรให้ได้เต็มที่เลยอยากจะถามอะไรอยากจะรู้อะไรถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนที่ว่าอยากจะถามถามทางบ้านนี้ไม่รู้ว่าอะไรทางบ้าน คำถามจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับคำถามจากคุณเกียร์นะครับมีคนบอกว่าการเล่นหุ้นเหมือนการเล่นการพนันแล้วถ้านาเงินจากการเล่นหุ้นมาทาบุญจะไม่ดีเหมือนนำเงินถูกหวยถูกลอตเตอรี่มาทำบุญไหมครับการเล่นหุ้นนี่ก็เล่นได้แบบเล่นแบบลงทุนกับเล่นแบบเล่นการพนังเล่นการพนันก็แบบ คือเช้าขายเย็นอันนี้เล่นการเก็งกาไรก็คล้ายๆกับการเล่นการพนันไปเข้าไปในบน่อนแล้วก็เล่นการพนันกันแล้วออกมาก็ได้กําไรก็มันก็แล้วแต่คือมันก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นเพีงแต่ว่าเป็นการหางเงินทองแบบที่มัน ค่อนข้างที่จะเสีย่ยงเพราะว่ามันไม่ไม่หมายความจะเล่นได้เสมอไปถ้าเล่นได้มันก็รวยกันไปทุกคนแล้วมันต้องมีคนได้มันต้องมีคนเสียต้องเงินทองจากการทำงา น, นจากการเล่นหุ้นมันก็มาจากคนที่ไปเล่นด้วยกันนี่แหละมันก็ต้องมีคนหนึ่งเสียมีคนหนึ่งได้ไอ้เงินที่เราได้มานี่ก็ได้มาบนกองทบขของคนที่เสียมันก็ไม่ดี แต่ถ้าเราเล่นแบบลงทุนระยะยาวผลกําไรเราได้จากบริษัทค้าขายได้กําไรอแบบนี้มันก็ไม่ได้อยู่บนความทุกของผู้พรบริษัทก็ค้าขายสินค้าคนซื้อสินค้าเขาก็ได้รับประโยชน์่เขาก็ไม่ได้มีความทุกข์จากการที่เราได้เงินทองจากเขาที่มันต่างกันตรงนี้ ตางกันตรงที่ว่ากาเล่นการสนานนี่มันจะมีการได้และมีการเสียแล้วก็ผู้เสียก็จะต้องทุกข์เดือดร้อนผู้ได้ก็จะหลงต่อเลยแล้วก็ใช้เงินโดยไม่มีรู้จักประมาณได้มาง่ายก็เลยใช้ง่ายแล้วพอใช้ไปแล้วพอหมดก็อยากจะมาได้ใหม่ก็มาเล่นใหม่ แ้วบางทีเล่นหมายเท่านี้แทนที่จะได้กับเสียแล้วบางทีเสียแล้วก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่อบางทีเล่นจนไม่ไม่มีเงินจะเล่นก็ไปกู้หนี้ยืมสินเข้าต่อขายทรัพย์สมบัติเช่าของเงินทองามาเล่นต่อเนี่มันจะพาให้ไปสู่การเส้นเนื้อประดาตัวไม่ชา ก, ก็เลยทางช น, นนี้ท่านหมอกมันร้ายกาดยิ่งกว่า ขโมยขึ้นบ้านขโมยขึ้นบ้านนี่มันเอาเพียงแต่ข้าวของไปแต่บ้านยังอยู่ที่ดินยังอยู่ไฟไหม้บ้านมันก็ไม่แค่บ้านกับข้าวของที่ดินมันก็ยังไหม้ไม่ได้แต่การพน า, านนี่มันเอาหมดเลยข้าวของบ้านที่ดินเอาไปขายหมดเลยและแม้แต่ชีวิตของคนเล่นก็ไม่แน่นอนถ้าไปกู้เงินจากพวกนักเลง แล้วไม่มีใช้เขาเขาก็มาฆ่าเรานี่คือโทษของการเล่นการ์ันามาเล่นแล้วมันจะติดมันเสียแล้วมันก็อยากจะได้คืนเวลาได้ก็อยากจะได้มากขึ้นมันก็เลยไม่มีวันที่จะเลิกได้เล่นแล้วก็จะติดติดแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดเงินอหมดตัวงนั้นก็มันอยู่ที่การเล่นว่าเล่นนุนแรง หรือไม่รุนแรงบางคนแล่นแค่พอหอมปากหอมคอแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เสียงโชคก็อันนี้ก็แล้วแต่เร็นวันนี้วันหวยออกถ้าอยากจะให้บุญที่เราทำในช่องมาก็ต้องไปซื้อหวยเดี๋ยวถ้าบุญเรามีเยอะมันก็จะมาทางช่องปลูกหวยนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ซื้อหวยมันก็ไม่มีช่องมา แต่ก็ไม่ต้องเล่นแบบเอาแบบเอาเป็นเอาตายกันเอากันแบบหมดเนื้อหมดตัวกันเอาพอหอมปากหองคอ อ, อันนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรมากอาจจะเสียบ้างเล็กนๆๆ้อยนอถ้าทางที่ดีก็อย่าไปเล่นกันเลยอยากจะได้เงินทองก็ไปทามาหากินดีกว่าอเอาไปซื้อขนมมาขายซื้อของมาขาย ไดแ้แน่แน่ดีกลับไปได้หนักจะไม่ได้อาจจะเสียก็ได้คือเรื่องของการพนัน อ, อย่าไปเล่นหนัดีที่สุดมีข้อไหนอีมีอีกไหมีครับถามมาเลยคำ ถ, ถามจากโยมโจ น, นะครับผมไม่ชอบพ่อเวลาเขาดื่เล่า ผมจะมีอาการไม่ชอบข้ออย่างหนักอาการมีวิธีแก้ไขไหมครับก็อย่าไปอยู่ใกล้ท่านเลยเวลาท่านกินเล่าก็เดินหนีไปคือความชอบของเราหรือไม่ชอบมันก็ไม่ดีมันก็เป็นกิเลสมันทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเราอยากจะระงับความไม่ชอบก็เวลาใส่ความไม่ชอบก็ใช้พุทโธพุทโธตั้งพุทโธไป เรื่อเดินหนีจากสิ่งที่เราเห็นก็ทำให้เราไม่ชอบขึ้นมาเดินหนีไปนะเพราะเราไม่เห็นแล้วมันก็มันก็จะลืมล้วมันก็จะหายไปหรือจะใช้ปัญญาก็สอนใจว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไปห้ามเขาไม่ได้ในโลกนี้มีคนดีมีคนไม่ดีปะปนกันไปเราไปห้ามเขาไม่ให้ไม่ดีไม่ได้ เราไปห้ามเ้อให้ไม่ดีให้ดีไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามบุญตามบาปที่เขาทำมาถ้าเราอยากจะดูแล้วทำให้เราสบายใจก็ให้นึกถึงพบคุณของพ่อเราว่าพ่อเรานี่เป็นผู้ให้เรามาเกิดให้เรามีร่างกายให้มีชีวิตนี้อยู่ท่านจะทำอะไรไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเรา เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปโจรธหรือไม่พอใจให้มองในความดีของเขาว่าเขารำบาดยากเย็นเลี้ยงดูเรามาแทบเป็นแทบตายเขาจะมีความสุขจากการเดินสุราบ้านทำไมจะให้เขาไม่ได้เพราะเขาก็ไม่รู้จักวิธีหาความสุขด้วยวิธีอื่นเขาเสร็จการหาความสุขด้วยวิธีนี้เราอยากเขามีความสุขไม่ใช่เหรอ ถ้าเขามีความสุใจากการหยื่ชจงาก็ปล่อยก็เดินไปทีอย่างนี้เราก็จะสบายใจถามว่าถ้าตัวตัวลูกอะะเป็นยกตั้งวเป็นในหน้าลูกเกี่ยวกับปัญหาค่ะ่ตับในหน้าที่ดีแล้วก็ที่อยู่หาหาอาศัในกรณีที่ลูกอะตับในหน้าทังโครงการนั้ น, นะคะ่ะ เป็นเงินอกไหได้กการเปนเาห้อไม่ผิดหรอกก็รู้กันคนคนซื้อคนขายก็รู้ว่าเราเป็นนายหน้าแล้วก็ยินดีจะให้เราก็ไม่ผิดตรงไหนเราไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงเขาแต่อย่างไดก็เป็นค่าใช้จ่ายเราก็มีค่าใช้จ่ายเราเป็นคนที่เอื้อประโยชน์ให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการคนขายก็จะได้ขายคนซื้อก็จะได้ซื้อไม่ผิดหรอก จะผิดก็ต่อเมื่อเราไปหลอกลวงคนซื้อว่าสินค้าอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วพอเข้าไปซื้อแล้วเขาผิดหวังเขาเสียเขาเสียประโยชน์นี้ก็มันก็เป็นค่ายตับการโกหกหลอกลวงกันควรจะพูดความจริงหรือถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดพูดส่วนที่เป็นจริงส่วนที่ไม่จริงก็อย่าไปพูดไม่ต้องพูดหวดก็ไดไ้ไม่ผิด ธรรมดาเวลาขายของเราก็จะเน้นส่วนที่ดีของผิงชาส่วนที่ไม่ดีเราก็ไม่พูดถึงหัไไม่บางคํองถาสจะคุณนุ่มลางฟังนะคบเวลานั่งสมาธิหลังจากจิตรวมแล้วนึดตัวถ้าอาจารย์มีอุบายยังไงให้จิตวางความกลัวแจริงถ้าจิตสงบแล้วความกลัวมันต้องหายไปถ้าจิต ยังกลัวอยู่แสดงว่ายังไม่สงบเก่งก็ภาวนาต่อไปพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกกลัวคำถามจากคุณไลรลินนะครับเวลานั่งสมาธิโดยการดูลมหายใจเขาออกที่ปลายจมูกพอนานงานเข้าลมหายใจเขาออกเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆซึ่งอยากถามว่าเราควรจะดูต่อไปหรือว่าทาอย่างไรต่อครับ ก็ดูไปเรื่อยๆลมจะอ่อนหรือลมจะแรงนี่ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็คือดูไปเพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องต่างๆลมจะอ่อนจนกระทั่งหายไปก็ไม่ต้องไปตกใจก็รู้ว่าลมมันหายไปก็รู้อยู่กับความไม่มีลมไปไม่ต้องไม่ต้องตกใจอย่าไปวิตกอย่าไปวิจารอย่าไปคิดเพราะาจิตกำลังจะสงบ เวลาจิดสงบนี้ร่างกายมันก็จะหายใจเบาลงไปเรื่อยๆเหมือนคนจะตา ย, ยานะแต่มันไม่ตายหรอกแล้วถ้าเรามีสติดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ทามสงบแล้วก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเรื่องของลมไม่มีปัญหานะลมมันจะอ่อนไปยังกระชัมันหายไปนี่เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาของการภาวนาเวลาดูลมหายใจเข้าออก ใชเรามีสติรู้เฉยๆก็แล้วกันคำถามตะคุณคูนนะครับจิตเกิดที่มาได้อย่างไรคะและวิธีการดับลงของจิตคืออะไรคะเรื่องการเกิดการดับของจิตนี่มันไม่มีที่มาที่ไปพระองค์เจ้าเคยทรงย้อนอดีตไปดูว่าจิตของท่านเริ่มต้นเมื่อไหร่ท่านก็บอกไม่มีวันเริ่มต้นหาไม่เจอแล้วก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญค่ะ ว่าจิตจะสดเมื่อไหร่ประเด็นสำคัญก็คือว่าความทุกข์ของจิตนี่เราดับมันได้หรือเปล่าเราหาวิธีดับมันได้หรือเปล่าคืมันมีวิธีที่เราจะสามารถดับได้เรามาศึกษาวิธีดับความทุกข์ของจิตดีกว่าเพราะว่ามันความทุกข์ของจิตนี่แหละเป็นที่เป็นตัวปัญหาที่แท้จริงเพราะเวลาจิต ใจเราทุกข์นี่เราไม่อยากจะทุกข์กันเราอยากจะฆ่าตัวตายกันนันเราต้องมาศึกษาวิธีที่จะทำให้จิตหายทุกข์วิจิตที่จะหายทุกข์ก็เกิดจากการภาวนานี่แหละนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปเพี้งแต่ว่ามันหายไปชั่วคราวในขณะที่จิตสงบพอจิตออกมาจากความสงบ พอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่ก็ต้องใช้ปัญญากำจัดมันอย่างขาวรต่อไปให้มันคิดว่าเรื่องที่เราทุกข์นั้นมันเพราะเราไปยึดไปติดไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่ได้ตามใจอยากเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากปล่อยให้เป็นไปตามความจริงอย่างเช่นตอนนี้ฝนตกเนี่ย ถ้าเราอยากให้ฝนหยุดเราก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ไปอยากมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปเราก็นั่งสมาธิไปคุยกันไปเสียงดงังมันก็ช่างมันเราก็จะไม่ทุกข์ต่างๆนี่คือความทุกข์ของใจทุกข์เพราะเราไปอยากให้สิ่งต่างๆเป็นตามความอยากของเราพอมันไม่เป็นไปตามความอยากเราก็ทุกข์เราก็เสียใจเราก็โกรขึ้นมา แล้วถ้ามันเป็นไปาตามที่เราอยากได้ก็หนงเราเริงก็อยากอยากไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องไปเจอวันหนึ่งที่อ ย, ยากอยากเราไม่ได้ดังใจอยากมันก็จะเสียใจอยู่ดีอย่าถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ใจก็อยากไปอยากเราไม่ต้องมีอะไรเราอยู่ของเราได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีคนนั่นคนนี้มาให้ความสุขกับเราไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเรา ถ้าเราตัดความอยากได้เราจะมีความสุขความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากความสุขของเราเกิดจากการไม่มีความอยากเพราะนั้นพยายามตัดความอยากไปเรื่อยๆเริ่มต้นก็ต้องหยุดมันก่อนนั่งสมาธิทาใจให้สงบก่อนพอเวลาใจสงบความอยากมันหายชั่วคราวมันทำให้เราเห็นเห็นเห็นคุณของการไม่มีความอยากแล้วเราก็จะคอยกำจัดความอยาก พอเวลาที่ความอยากโผลขึ้นมามันจะมาทำให้ใจเราวุ่นขึ้นมาใหม่เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการไปทำตามความอยากนี้มันจะทำให้เราต้องวุ่นวายใจเพราะว่าพออยากปั๊บนี้มันก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วอย่างตอนนี้ถ้าเราอยากได้อะไรนี่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราต้องลุกไปทำตามความอยาก แต่ตอนนี้เราไม่มีความอยากเราก็เลยยังนั่งอยู่ตรงนี้ได้แล้วพอเราไปทำตามความอยากบางทีเราก็นบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เสียใจได้เราก็อยากจะได้มากขึ้นอีกมันก็ไม่มีวันจบแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปอยู่ดีได้มามากน้อยเท่าไหร่สักวันหนึ่งมันก็ต้องเสียไปหมดเวลาเสียก็ร้องหมร้องไห้เศ้าโศเสียใจงั้นอยากอยาก็อยากอย่าไป หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พก็มันไม่ถาวรมันชั่วคราวเวลามีก็ดีแต่เวลาไม่มีก็จะเสียอกเสียใจดูมาหาความสุขจากการไม่อยากดีกว่ามาทําใจให้สงบนั่งสมาธิกันดีกว่าเ่วงต้นเราต้องนั่งบ่อยๆแต่พอใจเราสงบแล้วต่อไปเราไม่ต้องนั่งก็ได้เราสามารถรักษาความสงบได้ด้วยการเดินยืนนั่งทําอะไรไปก็ได้ แต่เบื้องต้นนี่ต้องนั่งมันจะได้สงบแต่พอรู้จักวิธีรักษาความสงบได้แนละ้วเราจะเราสามารถทำอะไรต่างๆได้ด้วยการคอยควบคุมความอยากของเราทำโดยไม่มีความอยากทำโดยเหตุด้วยผเลเช่นเราต้องรับประทานอาหารเราก็รับประทานตามความด้วยเหตุด้วยผลตามความต้องการของร่างกายมีอะไรก็รับประทานไปรอบประทานให้มันอิ่มก็พอ เวลาทำอะไรก็ไม่ได้ทำด้วยความอยากแล้วจะไม่มีความทุกข์ก็จะไม่มีความผิดหวังแล้วเวลาได้อะไรเราจะได้ไม่มีอะไรให้เราต้องมากังวลที่เรากังวลก็เพราะว่าตังวลกับสิ่งที่เรามีนั่นแหละสิ่งที่เรามีก็เกิดจากการที่เราไปหามันมาอยากจะมีนู่นมีนี่ก็ไปหามาพอได้มันมาแล้วก็ต้องมาตังวลกับมันแล้วต้องมาคอยดูแลรักษา เราไม่นานไ ม, ไม่ไม่นานมันก็ต้องจากเราไปไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดแม้แต่ร่างกายที่เป็นที่เราคิดว่เาเป็นของเรามันก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องตายไปเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งมันเป็นอมาะพึ่งอมะาะพาดไปมันก็ไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้เราก็มีเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความนใจ ดังนั้นอยาาไปอยากได้อะไรอยาาไปอยากมีอะไรอยาาไปอยากเป็นอะไรนะให้อยากอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวพอขอให้ใจสงบเท่านั้นพอความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร อ, อยู่ที่ความสงบลองทำไปเถอะถ้าได้พบกับความสงบแล้วจะติดใจแล้วจะพยายามสร้างความสงบนี้ให้มีมากขึ้นแล้วจะรักษามัน แ ล, แล้วเราเรารักษามันได้มันไม่มีวันจากเราไปถ้าเรารู้จักวิธีรักษามันแต่สิ่งอยา่างอื่นต่อให้เรารู้จักวิธีรักษามันดีขนาดไหนมันก็ต้องจากเราไปเช่นร่างกายเนี่ยเรารู้จักวิธีดูแลรักษามันได้อย่างดีแต่มันก็ต้องแก่เจ็บตายไปงั้นอย่าไปพิ่มสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่แท้จริงก็คือควาสมสงบนี่ มาทำใจให้สงบแล้วเราจะมีที่พึ่งทำมังสารนังกระฉามิเนี่ยก็พูดทางสงบเนี่ยเป็นธรรมเป็นที่พึ่งของเราอ่ข้อต่อไปคาถามท่าคุณตอบพงพักนะครับผมขอสบอบถามเรื่องการให้ทานครับปกติผมทําทานกับโรงพยาบาลมูลนิธิพระสงฆ์แต่ผมกลับมาหันมอว่า ยากบางคนของผมยังลําบากผมเอาเงินที่ผมบริจาคเปลี่ยนมาช่วยเหลือญาิบางคนที่ลําบากบ้างได้ไหมครับได้ทํำกับใครก็ได้ทํากับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อ น, นมันจะได้ประโยชน์กว่าไปทํากับคนที่เขาไม่เดือดร้อนนั้นการช่วยเหลือคนอื่นการทําทานก็เพื่อช่วยเหลือผู้ให้ผู้อืนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนนะั้น ได้มีความสุขบ้างได้พ้นจากความเดือดร้อนบ้างเะฉนั้นให้ถ้าเราจะเร่งประโยชน์ของการทำทานในด้านนี้เราก็ต้องดูความเดือดร้อนความต้องการของผู้ที่เขาเดือดร้อนกันแต่การทำทานนี้มันก็มีอนิสงส์ของแถมมาออกเหมือนกับเวลาเราไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ามันนี้นอกจากเติมน้ำมันแล้วบางทีปั๊มก็มีของของแจกให้เรา นถ้าเราต้องการของแจกเราก็ต <t ide> ja ้องไปเลือกปั magic, ้มที Jazz ่มีของแจกถ้าไปเติมป like right. ั nowadays, ้มที่มีแต่น้ํามันไม่มีของแจกก็จะได้ได้แต่น้ํามันแต่ถ้าเราอยากจะได้ของแจกที่บางปั้มมีชิงโชคเนชิงชิงรถเบนชิงอะไรถ้าเราอยากจะชิงโชคเราก็ต้องไปเติมปั้มที่มีการชิงโชคอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราทําบุญรุดช่วยเหลือใครนี่คนที่เราไปทำบุญนี่บางทีเขาก็มีของแจกให้เรา ที่เรามาวัดนี่เรามาทมําบุญกับพระเราก็จะได้ธรรมะกลับไปถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องมาทมําบุญที่วัดเพราะว่าถ้าเราไปทําบุญที่อื่นก็จะไม่มีธรรมะมาแจกให้กับเราอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้คนบาคนต้องเลือกว่าจะไปทําที่ไหนดีแต่ถ้าต้องการช่วยเหลือคนเรามีเงินเหลือใช้เก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อยากจะให้เอาเงินก้อนนี้ไปทําประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนสัตว์เราก็เอาไปทํา ที่ไหนก็ได้ที่เขาเดือดร้อนถ้าเราไม่ต้องการอะไรจากเขาเป็นของแถมมาเป็นบุญเหมือนกันคือได้น้ํามันน้ํามันนี่เหมือนกันน้ํามันนี่จะไปเติมปั๊มไหนก็เป็นน้ํามันทําให้รถเราวิ่งไปได้เหมือนกันบุญที่เราทําทํากับใครก็ทําให้เรามีความสุขใจเหมือนกันพาให้เราไปสวรรค์ได้เหมือนกันทาบุญกับพระก็ไปสวรรค์ได้ทําบุญกับโซน่าก็ไปสวรรค์ได้ ทำบุญกับสัตว์ก็ไปสวรรค์ได้ทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ไปสวรรค์ได้ทำบุญกับสามีภรรยาก็ไปสวรรค์ได้ทำบุญกับสามีภรรยาก็ซื่อสัตว์ต่อกันอย่าไปประพฤติผิดตัวเองีอันนี้ก็ทําให้สามีก็มีความสุขเราก็มีความสุข ก, ก็ไปสวรรค์ด้วยกันได้การทําบุญนี่ทำกับใครก็ได้ถ้าเราต้องการความสุขต้องการน้ํามัน ที่จะทำให้จิตใจของเราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเราก็ทำบุญทำทางทำตอบครก็ได้แต่ถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไปทำที่วัดเพื่อจะเราจะได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ถ้าเราต้องการอย่างอื่นต้องการยาเราก็ไปทำบุญที่โรงพยาบาลเดี๋ยวก็ขอยาจากหมอได้ปรึกษากับหมอว่าไม่สบายทำยังไง เดี๋ยวหมอเขาก็จะให้ยาเรามากินเองงั้นก็นอยู่ที่ว่าเราจะทำเพื่ออะไรถ้าเราทำเพียงเพื่อให้ใจเรามีความสุขเราทำที่ไหนก็ได้เพราะเวลาเราได้ช่วยเหลือผู้ให้ความสุขแก่ผู้ความสุขนั่นก็จะกลับมาหาเราคาถามข้อต่อไปจะบคุณวิปูลนะครับการละความอยากโดยใช้ความสันโดษความพอเพียง บางครั้งทำได้บางครั้งทาไม่ได้ขอทำแนะนําด้วยครับก็ขึ้นอยู่ที่ความอยากมันแรงหรือไม่แรงแล้วความมากน้อยสันโดษของเรามีกำลังสู้บันไหวหรือไม่ไหวถ้าถ้าความมากน้อยสันโดของเรามีกาลังมากกว่าความอยากมันก็สู้ได้แต่บางทีความอยากไม่มีกำลังมากกว่าความมากน้อยสันโดษก็สู้ไม่ได้ ความมากน้อยสันโดษนี้ยังไม่ได้เป็นตัวที่จะกําจัดความอยากได้อย่างขาวนตัวที่จะกําจัดได้อย่างถาวรก็คือปัญญาต้องเห็นโทษว่าการทําตามความอยากนี้นําไปสู่ความวุ่นวายใจนําไปสู่ความทุกข์ถึงแม้ว่าจะได้ความสุขบ้างก็เป็นเหมือนกับคนที่อยากเสพยาเสพติดเวลาอยากเสพยาเสพติดได้เสพก็มีความสุข แต่เวลาที่ไม่ได้เสพนี่มันจะทุกข์ทรมานใจมากแล้วมันต้องมีสักวันหนึ่งที่จะไม่สามารถที่จะเสพได้เช่นไม่มีเงินซื้อยามาเสพหรือไม่มียาขายหรือร่างกายเราไม่สบายเสพไม่ได้อันนี้มันก็จะต้องทำให้เราต้องไปเจอความทุกข์ในที่สุดคนที่เสพยากับคนที่ไม่เสพยาใครสบายกว่ากันใช่ไหมคนที่มีความอยากกับคนที่ไม่มีความอยากใค ร, รจะสบายกว่ากัน ไดนะ้แต่เราต้องเห็นโทษของความอยากเราถึงจะละความอยากได้และเราจะละได้เราก็ต้องใช้สมาธิช่วยเพราะเวลาเกิดความอยากนี่มันจะเกิดความทรมานใจมากแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปทําใจให้สงบเราก็จะบรรเทาความทรมานใจได้เราจะทําให้เรามีกําลังขืนความอยากได้ดังั้นเราต้องฝึกทําสมาธิให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ใช้สมาธิในมาช่วยลด ความทรมานใจเวลาเกิดความอยากแล้วเราไม่ทําต่างความอยากถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะทนไม่ไหวเดี๋ยวทนได้สักพักหนึงแล้วเดี๋ยวมันก็แบรกแตกยอมแท้คนนาบวัเนี่ยวัได้สักพักนึงมันเดี๋ยวเบกแตกกลับบ้านจิดกันคําถามข้อต่อไปจะกคุณหมูนะครับการพิจารณากาย หากได้นิมิตในอาการ32ปรากฏแล้วให้เอานิมิตที่ชัดที่สุดเช่นได้ภาพฟันเราต้องพยงายามตั้งภาพนั้นไว้ตลอดใช่ไหมครับมันแล้วแต่ว่าเราต้องการใช้มันเพื่ออะไรถ้าเราต้องการใช้เป็นวิปัสสนานี้การดูฟันนี่มันอาจจะไม่สามารถไปทำลายความอยากได้ความอยากนี้เช่นความอยากใน อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนอย่างเงี้ยเห็นฟันเขามันก็ไม่ทําให้เราหยุดอยากได้หรอกต้องดูสิ่งที่ทําให้เราหยุดความอยากเช่นเห็นตับไตไส้พุงเขาเงเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นลำไส้อย่างเงี้ยเห็นโครงกระดูกเงี้ยมันน่าจะเห็นแบบนั้นจะดีกว่าเราต้องเห็นส่วนที่มันไม่สวยงามไม่เห็นฟันสวยงามนี้ไม่ดีไปหลงใหลกับฟันก็อย่างฟันเธอสวยเหลือเกินอ ันแล้วแต่ว่าเราต้องการเห็นเพื่ออะไรถ้าต้องการเห็นเพื่อทำลายการอารมณ์เราต้องเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายแต่ถ้าเราต้องการใช้ฟันเป็ น, ปนแทนพุทโธแทนลมหายใจนี้ก็ใช้ได้เพ่ง ด, ดูฟันไปอย่างเดียวไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆก็จะเป็นสมาธิได้แต่ไม่ได้เป็นวิปัสสนาถ้าเป็นวิปัสสนานี้ต้องเห็น ภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นนึกถึงตอนที่เขาไม่สบายคิดถึงตอนที่เขาตายถ้าเขาตายแล้วเราอยากจะไปนอนกับเขาไหมนะั่นแหละให้คิดแบบนั้นพระพุทธเจ้าให้พระรูปหนึ่งไปดูศพของนางโสพณีพอเห็นแล้วก็เลยหายหายอยากเลยก็ตามเมื่อก่อนเห็นแต่นางโสพณีตอนที่มีอายุตอนที่ยังไม่ตายเขาก็แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปาก มีชื่อมีเสียงว่าสวยงามมากใครเห็นแล้วก็หลงหลายข้างไครแต่พอเวลาตายไปไปดูศพของเขาแล้วก็มันไม่เหมือนกันนะเราต้องมองเห็นภาพของร่างกายที่ไม่สวยงามเราถึงจะสามารถทำลายการอารมณ์ความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับเขาได้คําถามตะกุลกันนัทธรมล น, นะครับจิตสุดท้ายที่ดับไปอย่างกระทันหัน เช่นการประสบอุบัติเหตุเราจะทราบได้อย่างไรว่าจะไปดีเพราะเราอาจจะขาดสติและห ว, ดวหาดกลัวณขณะนั้นนั่นแหละเราถึงต้องไปพิสูจน์ดูไงเราต้องไปหาสถานที่ที่มันใกล้ใกล้เป็นใกล้ตายดูแล้วดูว่าเราจะรักษาจิตของเราให้สงบให้มีสติได้หรือไม่ถ้าที่ปฏิบัตินี่บางทีไปอยู่ในป่าชา้าไปอยู่ในป่าที่มีเสือมีเสือ มีภัยอันตรายต่างๆเวลาได้ยินเสียงเสือคำรามจะได้ดูว่าใจเป็นอยางไงใจนิ่งหรือไม่เวลาเดินไปแล้วเจองูเห่าแผ่แม่เบี้ยขึ้นมาดูแล้วจะรู้สึกอย่างไรอันนี้แหละเป็นการทดสอบจิตสุดท้ายของเราเวลาที่เราไปเจอความความตายนีย่มันก็เหมือนกับจิตใกล้จะตายจิตมันก็จะแสดงอาการของมันขึ้นมา ถ้าเราฝึกจิตมาดีแล้วตอมันเจอเหตุการณ์ร้ายแรงมันก็จะควบคุมได้แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกมาเลยพอมันไม่เจอเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมามันก็จะเตลดเิดเปิดเปลงได้เสียสติไปได้งั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าจิตสุดท้ายของเราเป็นอะไรก็ลองไปหาที่น่ากลัวน่ากลัวอยู่ดูงั้นจะรู้ว่าจิตสุดท้ายของเราเป็นอย่างไร เพราเวลาเราตายเวลาเราจะตายเราก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาเราดูสิว่าเราจะควบคุมความกลัวได้หรือเปล่าทาใจให้กลับมาสงบได้หรือเปล่าคำถามจากคุณฟ้าใสนะครับบุญจากการทาทานกับบุญที่ภาวนาเราจะได้รับเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะมันเป็นบุญคนละขั้นมันเหมือนกับ เ, เหมือนกับคนที่เรียนจบ มหไปทํางานกับคนที่เรียนจบปริญญาไปทํางานรายได้มันไม่เท่ากันดังนั้บุญที่ได้จากการทําทานก็น้อยกว่าบุญที่ได้จากการรักษาศีลบุญที่ได้จากการรักษาศีลก็จะน้อยกว่าการบุญที่ได้จากการภาวนาแต่การที่เราจะไปได้บุญจากการภาวนาได้เราก็ต้องผ่านการรักษาศีลให้ได้ก่อนการที่เราจะรักษาศีลให้ได้ก่อนเราก็ต้องทําทานให้ได้ก่อน ให้มันข้ามขั้นตอนไม่ได้คนบางคนที่ว่าโอ้ถ้าได้บุญจากการภาวนามากกว่าเราก็ไม่ต้องไปทําทางให้เสียเงินไม่ต้องไปรักษาเสียให้มีเสียเวลาไปภาวนาเลยมันก็จะภาวนาไม่ได้ก็คนที่จะไปเรียนตรวจปริญญาได้มันก็ต้องถ่ายชั้นมัธยมชั้นประถมก่อนเหลื อ, อากขึ้นไปสู่ชั้นปริญญาได้เฉะนั้นการที่จะภาวนาได้นี่เราต้องมีกําลังที่รักษาเสีลได้ก่อน เพราะกำกำลังที่จะใช้ในการภาวนานี้มันมากกว่ากําลังที่จะใช้ในการรักษาศีลแล้วกาลังที่จะใช้ในการทําทานนี้มันก็น้อยกว่ากําลังที่จะใช้ในการรักษาศีลนั้นถ้าเรายังไม่มีกําลังที่จะทําทานเราไม่มีทางที่จะไปภาวนาได้เราต้องสร้างกําลังขึ้นมาจากการทําทานก่อนเมื่อเรามีกําลังทําทานเราก็จะมีกําลังที่จะไปรักษาศีลได้ เมื่อรามีกำลังรักษาศีลาถึงจะก้าวขึ้นไปสู่การภาวนาได้งั้นลองลองไปภาวนาดูไปอยู่วัดสามวันเจวันดูไปบวชเลยก็ได้ถ้าอยากจะภาวนาจริงๆนี่คือการภาวนาจริงๆไม่ใช่ภาวนาแบบนั่งส5บห้านาทีแล้วก็เรียกว่าภาวนาแล้วอันนี้มันเป็นการชิมอาหารแค่นั้นเองอยังไม่ได้กินอาหาร ถ้ากินจริงๆมันต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนภาวนาจริงๆมันต้องปฏิบัติแบบพระแบบคนที่ไปบวชกันนั่นแหละเรียก ว, ว่าเป็นการไปภาวนาถ้าอยากจะได้บุญจากการภาวนาก็าไปบวชบวชได้หรือเปล่ารักษาศีลได้หรือเปลาสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้หรือเปล่าเพราะคนทำคนไปบวชนี่เขาทําทานได้เขาสละเงินทองได้หมดเลย เขมีทรัพย์สมบัติช่างของเงินทองเท่าไหรเขายกให้คนอื่นไปเลยแล้วเขาก็ไปรักษาศีลได้ตลอดเวลาแล้วก็ภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนนี่แหละเรื่องถ้าอยากจะภาวนาต้องทำแบบนี้ไม่ใช่ทำแบบคิปจ้อยแล้วบอกได้บุญเยอะนั่งสมาธิหนาที10นาทีดีกว่าไปใส่บาตรเสียดายเงินบางทีคนบางคนก็โดนถูกี่เลสของตัวเองหลอก หวงเงินหวงทองไม่อยากจะทำบุญก็เลยไม่ได้บุญเลยนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีมันไม่ได้เลยหรอกเดี๋ยวมันจะห้านาทีสิบนาทีในชั่วโมงมันก็ไม่ได้วันหนึ่งมันได้แั๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปงั้นถ้าอยากจะได้จริงๆมันต้องไปบวชเลยไปปฏิบัติต้องสละเงินทองที่มีอยู่ให้คนอื่นไปให้หมดเล ย, เยนี่แหละทีเ่เรียกว่าภาวนากริง คำถามข้อต่อไปจากคุณอาริเตอแคบี้นะครับหลังจากนั่งสมาธิแล้วทำไมตอนนอนมีความรู้สึกว่าร่างกายนอนแต่จิตไม่ยอมหลับคะเพราะว่าจิตมีสติมากมันก็เลยไม่หลับคำถามข้อต่อไปจากคุณพิษหวานนะครับขอทราบวิธีแก้ไขเวลานั่งสมาธิแล้วเผลอหลับหรือง่วงนอนทุกครั้งเลยค่ะ ก็ลุกขึ้นมาเดินถ้ามันนั่งแล้วมันง่วงก็ ล, ลุกขึ้นมาเดินถ้าเดินแล้วยังง่วงอยู่ก็ต้องลดอาหารอย่ารับประทานอาหารมากเกินไปคนที่ภาวนาเขาถึงต้องให้ถือศีลแปดกันเพื่อจะได้ไม่ง่วงให้อ่ารับประทานแค่เทชยงวันก็พ อ, อแล้วก็จะได้หลังจากรับประทานไปแล้วพอบ่ายๆความง่วงมันก็จะหายไป ถ้ายังง่วงอยู่ก็ต้องลดปริมาณให้น้อยลงถึงแม้ว่าจะถือศีลแปดก็อาจจะรับประทานเพียงมื้อเดียวถ้ารับรับประทานสองมื้อก็รับประทานมือม้อเดียวถ้ามื้อเดียวยังง่วงก็รับประทานจานเดียวแทนสองจานถ้าจานเดียวยังง่วงอยู่ก็อย่าไปรับประทานเลยดื <c oughs> ่มน้ำดืมน้ำดืมน้าผลไม้อะไรไปก็ได้เบาๆคำถามจากคุณชานนนะครับ หลังจากฝึกสมาธิแล้วกลับไปใช้ชีวิตประจําวันเมื่อจิตกระทบกับอารมณ์ผมรู้สึกว่าอารมณ์ที่เข้ามากระทบรุนแรงขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจเกิดจากอะไรครับแสดงว่าเรายังมีสติไม่เพียงพอใช่ไหมครับเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรก็วเวลาออกจากสมาธินางก็ต้องเจริญสติต่อไปไม่ใช่ปล่อยให้จิตมาคิดเรื่อยเปื่อยแล้วสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ออกจากสมที่มาก็ต้องพูดโธรต่อไปแล้วเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ได้คำถามจากคุณภาวนานะครับทําไมจิตสงบจึงมีอนิสงฆ์มากได้บุญมากคะเพราะมันสุขมากไงไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าจิตสงบจริงๆแล้วเราจะทิ้งทุกอย่างได้ทิ้งเงินทองทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งลูก จริงลาบยศสำลัเสริญอะไรได้หมดเพราะมันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะออกจากวังไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยพบกับความสงบนี้ตอนที่เป็นเด็กๆเพราะในอดีตชาติท่านเคยสร้างความสงบนี้มาแล้วพอจิตพออยู่ตามลำพังไม่มีใครมารบกวนจิตนันก็สงบท่านก็เลยรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริง พอถึงเวลาที่ท่านต้องสละสมบัติทั่วไปหาความสุขอันนี้ท่านก็สละได้อย่างง่ายดายไม่มีความรู้สึกเสียดายเลยแต่ถ้าเราไม่มีความสงบอันนี้เราจะไม่อยากจะทิ้งอะไรไปเพราะเรายังจะเสียดายเพราะว่าถ้าเราไม่มีพวกนี้ไม่มีราบยุทธสรเสริญไม่มีความสุขทางตาของจมูกนิ้นการนี้เราเหมือนกับขาดลมหายใจเราก็เลยทิ้งไม่ได้แต่คนที่เขา เขาทิ้งได้เพราะว่าเขามีลมหายใจชนิดอื่นก็มีท่อออกซิเจนหายใจได้เขามีความสุขทางใจมาทดแทนความสุกทางร่างกายเขาก็เลยทิ้งราบยศฉลเสริญทิ้งรูกเสียงเก่งลดได้แล้วเวกเราอยากจะทิ้งของพวกนี้เราต้องมาทำใจให้สงบกันให้ได้เราสวรนั่งสมาธิกันบ่อยๆถ้าจิตของเราสงบเมื่อไหร่แล้วรับรองได้ว่าจะทิ้งได้คนส่วนใหญ่ก็ทาแบบนี้ทั้งนั้น่ะ พอได้มาได้ยินได้ฟังวิธีทําใจให้สงบก็เอาไปทํากันพยายามกันพอได้ผลแล้วเขาก็ไปบวชกันเพราะมันมีความสุขมากกว่าอย่าไปเชื่ว่าคนที่ไปบวชนี่เขาไปทุกข์กันเขาไปสุขกันก็ถึงไปกันไม่มีใครอยากจะไปทุกข์กันหรอกพวกเรานี่แหละไปทุกข์กันโดยที่เราคิดว่าไปสุขกันเราไปเที่ยวกันไปเล่นกันไปหาความสุขทางราบยุทธสันเสรนี่ไปหาความทุกข์กันเสียมากกว่า จะร้องหอบร้องห้ากันเลยใช่ไหมแต่พวกคนที่เข้าไปบวชเขาไม่ค่อยร้องห้า่กันสังเกตดูเพราะใจก็มีทางุขกันใช่ถ้าค่ะคนที่เขากะสายสติไม ไ, ไ ม, ไม่ไม่คบหรือรว่าไม่ไม่บริสุทธิก็ตองบอกเขาต น, นาสสสามม่สิสงก็ไม่แน่ถ้าสติเขาดีเขาก็ ทำให้ใจสงบได้คามสงบมันไม่ได้อยู่ที่เสียงเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่ตัวสติเป็นหลักมากกว่าเสียงเขายังอาจจะไม่ให้ความสำคัญก็าอาจจะรักษาบ้างไม่รักษาบ้างเพราะเ้ายังมีกิเลสอยู่ยังมีความอยากอ ย, กอยู่ยังอยากจะโกหกเมียอย่างนะแต่เขาเวลานั่งสมาธิเขามีสติพุทธโธพุทธโธเขาก็สงบได้เพราะสมาธินี้มันก็ มันก็ไม่ได้ไปทำลายกิเลสตัณหาแต่คนที่มีปัญญามีวิปัสสนาแล้วนี่จะไม่โกหกจะไม่ทำตามความอยากจะไม่โกหกตามความอยากเพราะมันไม่มีความอยากให้ต้องโกหกแต่ว่าีสตินี่อยู่ตรงนี้อ่าใช่สตินี่ทำให้ใจสงบได้แต่ยังทำลายกิเลสไม่ได้ตัวที่จะทำลายกิเลสได้ต้องเป็นปัญญาต่อได้ยัง ได้แล้วครับอาจารย์อ่าวันนี้เจากคุณสรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทางนี้มีคาสารค่ะนั่งสมาธิอะค่ะจน่งดิ่แล้วก็รู้สล่งขนไยแป่อค่ะก็ให้มันอยู่อย่างนั้นเป็นงางานมันสุดทางอ่าเป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปให้มันนิ่งให้มันสงบแล้วก็พยายามให้มันนิ่งงานงานแล้วทำแล้วทำให้บ่อยๆ ให้มันชำนาญจนสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วเราถึงค่อยไปทางปัญญาต่อไปขั้นตอนนี้เอาให้สมาธิให้ชํานาญก่อนเหมือนทํากอไก่ขอไข่ให้ชํานานก่อนแล้วค่อยไปอัดสะกดสร ะ, ะสระอะ่าแล้วค่อยไปหาไปไปไปไปดูความหมายของคําแต่ละคําว่ามีความหมายอย่างไรตอนต้นทำใจให้สงบให้ชํานาญ ต้องการจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้พอเราชานาแล้วต่อมาเราออกจากสมาธิเราก็มาเจริญปัญญาได้มาพิจารณาความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างเช่นราบยศสรรเสริญบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆร่างกายของเราทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดไม่ต้องมีดับถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ถ้าไปอยากจะให้เป็นของเราก็จะทุกข์ ถ้าปล่อยวางว่ามันต้องมามันต้องไปจากเราไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไม่ทุกข์แล้วต่อไปเวลาเราเกิดสูญเสียอะไรเราจะไม่เหวี่ยงร้องแล้วการต่อไปก็ต้องไปทดสอบดูอของไหนที่เราลากลองสละเป็นไปได้ไหมของที่เร า, เาไม่จำเป็นต้องมีมันอย่างเงี้ยแต่ยังเก็บไว้ทำไมลอง เ, เอาไปบริจาคเพือแบ่งให้คนอื่นไป เราอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรได้ไหมถ้าเรามีความสงบมีปัญญาแล้วเราไม่ต้องมีอะไรเราจะมีความสุขแล้วนะทำไปเพื่อตัดปัญญาเพื่อปล่อยวางสมาี่นี้ปล่อยได้ชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิแล้วมันจะไปยึดติดเหมือนเดิมเราต้องใช้ปัญญามาตัดเช่นร่างกายของเราเนี่ยเราต้องพยายามปล่อยให้ได้ ปล่อยความเจ็บปล่อยความตายปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายให้ได้อย่า <c oughs> ไปทุกข์กับมันอย่าไปกลัวมันเพราะเราไม่ได้เป็นคนเจ็บเราไม่ได้เป็นคนตายร่างกายมันไม่ใช่เราเราเป็นเพียงคนที่มาเลี้ยงดูร่างกายเราเป็นเหมือนเจ้านายร่างกายนี้เป็นคนรับใช้เรา <c oughs> เราก็เลี้ยงมันไป <c oughs> ตามอัตภาพมันอยู่ได้ก็อยู่ไปมันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมันจะเจ็บก็ ปลมันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บเพราะมันจะทําให้เราเครียดให้ให้รู้เฉยเฉยให้ดูมันไปเฉยเฉยรักษามันไปดูแลมันไปเฉยเฉอย่าก็อยากให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่ตายแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันต้องหัดพิจารณาแล้วก็ลองไปทดสอบดูลองนั่งให้มันเจ็บดูเจ็บแล้วก็อย่าไปขยับดูใจว่าปล่อยวางได้ไหมเครียดกับมันหรือเปล่า ก็ต้องสอนใจดึงใจออกมาใช้พุโทโธดึงออกมาก็ได้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บปล่อยมันเจ็บไป ถ, ถ้าดึงใจออกมาแล้วมันจะความเจ็บไม่หายแต่ความทุกข์ความเครียดจะหายความสบายใจจะกลับมาแล้วเราจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ไม่ต้องไปหาหมอก็ได้ไม่ต้องมียาแก้ปวดก็ได้เราใช้ธรรมโอรสรักษา พราคุดงนี้ท่านไม่มีหมัวไม่มียาเวลาท่านเป็นไข้ท่านก็เข้าสมาธิท่านใช้วิปัสสนาแยกกายออกจากร่างกายแยกความเจ็บออกจากใจว่าความเจ็บเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้แต่ใจเราไม่ต้องไปเคียดไปทุกข์กันใจเราสงบอยู่เฉยๆเป็นอุเบกขาดึงใจกลับเข้าไปในสมาธิแล้วปล่อยให้ร่างกายเจ็บไป ก็ออกจากสมาธิมาความเจ็บบางทีก็หายไปคําถามข้อต่อไปคุณนานะครับต้องนั่งสมาธิตลอดวันถึงจะได้บุญจริงได้อันนี้สองจริงหรือคะบุญเริ่มที่จิตรวมเท่านั้นใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วก็ต้องนั่งจนกระทั่งอย่างที่เมื่อกี้พูดเนะี่ยจนชนานาญจนสามารถที่จะนั่งได้ทุกเวลาที่เราต้องการเวลาเราวุ่นวายใจเราก็ไปนั่งสมาธิกัน แทงที่จะไปช้อปปิ้งกันไปดูหนังฟังเพลงกันเราก็ไปนั่งสมาธิกันแทนไม่ต้องเสียเงยินไม่ต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องไปติดรถไม่ต้องไปแก่งแย่งกับคนไปหาที่สงบนั่งสมาธิกันคาถามข้อต่อไปจะคุณสามารถนะครับการเสียสละร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่แต่โรงพยาบาลหรือทางมหาวิทยาลายัย น, นี่อนิสงเป็นอย่างไรบ้างครับ ถ, ถ้าถ้าบุญนี่มันไม่มีเลยเพราะเรายังไม่ได้เสียถ้าเราอยากจะอยากจะได้บุญก็ต้องให้ตอนที่เรายังไม่ตายเพราะตอนที่ตายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วเราทิ้งมันไปแล้วมันมันเป็นของสัเ์เปลือกแล้วสับเปลือกย่าไปทำล้านก็เรื่องของสับเป ร, เรือกแล้วเป็นเรื่องของคนที่อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นของเราแล้วแม้แต่เงินทองที่เรามีอยู่นี่ พอเราตายไปแล้วเราก็ไม่ได้เป็นของเราแล้วเราจะเอาไปทําบุญก็ทําไม่ได้นะถ้าเราอยากจะได้บุญเราต้องทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เงินทองที่เรามีอยู่อยากจะให้มันเป็นบุญเราเอาไปทําบุญเลยไม่ต้องเก็บไว้เก็บไว้นี่มันไม่ได้เป็นของเราฉะนั้นต้องทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่น บ, บริจาคตายอย่างเงี้ยมีสองใจแล้วแบ่งตายให้เพื่อชให้พี่น้องไปอย่างเงี้ย ให้พ่อให้แม่ไปอย่างเงี้ยได้บุญเพราะใจจะมีความสุขใช่ไหมยายจะรับรู้อยู่ว่าเออเราได้เสียสิ่งที่เราลักไปเพื่อความสุขของผู้ช่วยเหลือชีวิตของผู้มันก็เกิดความสุขใจขึ้นมามันนี่แหละมันถึงบุญเือดตอนที่เราต้องรู้ว่าเราได้ทําแต่ตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาร่างกายเราไปทําอะไรแล้วเราจะไปทําตามที่เราสั่งหรือไม่เราก็ไม่รู้แล้วเราก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกกับการเสียร่างกายไป เพราเราเสียโดยถูกบังคับให้เสียอยู่ดีไม่ได้เสียด้วยเพราะว่าเรายินดีจะเสียเราต้องยินดีด้วยการจะเสียอะไรถึง ท, ที่จะได้บุญนี่เราต้องยินดีเช่นเมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเงินก้อนเดียวกันเนี่ยเรามาทําบุญนี่เราได้ความสุขใช่ไหมแต่ถ้าถูกขโมยไปนี้เราได้ความสุขหรือเปล่าพราะเราไม่ยินดีใช่ไหมแต่ทําบุญเรายินดีนั่นเราต้องยินดีที่จะให้ที่จะเสียสะละเราถึงจะได้รับความสุขได้รับบุญจากการที่เราทํา เวลาเราตายไปแล้วนี่เราไม่ได้ตายเราไม่ได้ให้ด้วยความยินดีเราให้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราแล้วหรือเป็นของเสียแล้วของทิ้งไปแล้วขยะนี่เราไปทําบุญได้ไหมนี่เราทําไมนี่มีทครเขาล า, <c oughs> <c oughs> ากขยะบองแห่งขยะก็ยังใช้ประโยชน์ได้แต่ก็อย่างว่ามันได้บุญน้อยเพราะเราของที่เราไม่ชอบของที่เราไม่ต้องการแล้วไปให้เขานี่มันไม่ได้เหมือนกับให้ของที่เรารักเราให้แฟนเราไป ถ้าเราให้แฟนเราไปได้เราจะได้มีความสุขา่างพอเราจะได้โล่ง อ, อกโล่งใจเบา อ, อกเบาใจไม่ต้องมาทุกข์กับแฟนอีกต่อไปคบสารสกุลนัทธนันนะครับอยากขอคําแนะนาการปลูกฝังธรรมะให้เด็กๆว่ามีวิธีการสอนอย่างไรคะเพพาะแม่เนี่แหละต้องทำเป็นตัวอย่างพ่อแม่ต้องพาเข้าวัดพาเข้าวัดอยู่บ่อยๆใส่ บ, บสาตรอยู่เรื่อยๆ ต้องพาทําเด็กเขาทําตามเราใช่ไหมเขากินอะไรเขาก็กินตามที่เรากินใช่ไหมเขาพูดอะไรก็ตามที่เราพูดใช่ไหมแล้วทําไมเรื่องบุญทําไมเราไม่พาเขาทำํำถ้าเราพาเขาทําเขาก็จะทําตามที่เราพาเนี่ยอยงแต่ว่าเขาจะทําได้มากน้อยก็อยู่ที่กําลังของเขาเพราะใจของคนเรานี่บางทีเรื่องบุญนี่บางทีมันต่อต้านเพราะมันชอบไปทางด้านบาป ก, กันพมันเป็นนิสัยปลูกฝังมาในอดีต บางคนมีนิสัยถูกปลุกฝังมาไปให้ไปทำบาปมากกว่าไปทำบุญพอจะมาทำบุญนี่มันจะเด้อมันจะขี้เกียจมันจะต่อต้านแต่ตอนมันเด็กๆมันจะเด้อไม่ได้เพราะเราต้องเราพามันไปมันก็อยากจะไปกับเรามันไม่อยากจะถูกปล่อยทิ้งไว้ที่บ้านคนเดียวเนี่ยเราไปไหนมันก็จะไปกับเราไปวาดมันก็ไปกับเราแล้วถ้ามันไปแล้วถ้าเกิดมันได้ไปเจอเห็นพระดีๆได้ฟังคำสอนดีๆก็อาจจะเปลี่ยนเขาได้เปลี่ยน เป็นวิสัยเปลี่ยนใจเขาได้แต่ถ้าไปเจอวัดไม่ดีไปเจอผ้าไม่ดีมันก็อาจจะทำให้เสื่อมศรัทธาก็ได้เหมือนกันเงั้งกนการที่จะทำให้เด็กมีเกิดศรัทธาก็ต้องพาไปวัดแล้วพาไปวัดที่ดีมีพ้า ด, ดีมีคำสอนที่ดีเป็นตัวอย่างให้เขาแล้วเขาก็จะได้สืมทราบสิ่งดีๆแล้วเขาก็จะสามารถที่จะ ทําความดีได้อาจจะได้บวชเลยก็ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่เอาลูกมาบวชตั้งแต่อายุห7ขวบเนี่ยพอพระพเจ้าตัดสรุแล้วกลับไปเยี่ยมบ้านแม่ภรรยาของพรพุทธเจ้ า, าก็ส่งให้ลูกไปหาท พ, พุทธเจ้าไปขอมรอดกพระพเจ้ามรดกของเราก็คือการบวชก็เลยจับบวชตั้งแต่ตอนอายุเจ็ดขวบมั้งห7เจขวบแล้วไม่นานก็บรรลุกันท่าแล้ว มัน <CE> อยู่ที่สิ่งแวดล้อมเด็กได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีเด็กก็จะดีได้เด็กที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมันก็จะทําให้เด็กไม่ดีได้แล้เราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกๆที่อยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ควรดื่มสุราไม่ควรสูบบุหรี่ไม่ควรพูดคําหยาบไม่ควรทะเลาะวิวาทต่อหน้าลูกเนี่ยทะเลาะสามีภรรยาทะเลาะกันถ้าจะทะเลาะกันก็ไปเข้าห้องน้ําปิดประตูแล้วก็ไป อยากไปให้ลูกเห็นเพราะว่าเราพูดอะไรมันจําได้หมดเนี่ยคำหยาดตรงไหนเนี่ยมันมาจากใครถ้าไม่มาจากพ่อแม่เพราะมันอยู่ใกล้ชิดเราเราพูดอะไรมันก็ได้ยินได้ยินมันก็เออมันก็เรียนไปรับรู้ไปหรือโรงเรียนหรือสังคมมันก็มีสว่วนดั้นเราก็ต้องพยายามหาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็ก คำถามสากคุณภาวนานะครับก่อนตายได้ทําที่ในกรรมยกทัพย์สินทั้งหมดให้สภากราชาไทยเปรียบเทียบกับการที่เสียสละเงินเมื่อมีชีวิตอยู่นั้นได้บุญเท่ากันหรือไม่ไม่เท่าหรอกถ้าอยากจะให้ให้ตอนที่มีชีวิตอยู่อนะไรมันมันจะได้เพิ่มปิติไงมันจะได้รู้ว่าได้ถึงได้ทําจริงๆเพราะเวลาตายนี่เราไม่รู้ว่าได้ทำหรือเปล่าต้องต้องรู้เราต้องรู้ เราต้องรู้ว่าเราหมดเนื้อหมดตัวแล้วเราได้ทําบุญไปแล้วนี่ยังมีอยู่นี่ใช่ไหมไม่ได้เวลาตายแล้วค่อยยอมหมดเนื้อหมดตัว <c oughs> แต่ไม่ได้ทําบุญจริงจากท่านเดียวกันนะครับออยังคงสงสัยเรื่องอนิสงส์จากการทำํำนั่งสมาธินะครับจิตแค่สงบธรรมดาไม่ถึงอั ป, ปนาสมาธินั้นยังไม่ได้บุญจากการภาวนาเหรือคะก็ได้บ้างอ่ะมันเป็นไม่ได้เต็มร้อยไงได้ 10เปอร์เซนต์สเปอร์เซนต์ามสิบเปอร์เซนต์ไล่ไปตามลำดับตามกำลังของความสงบถ้าสงบเต็มที่ได้อัปปนานก็ได้เต็มร้อยคำถามจากคุณสุพินดานะครับหนูทำสมาธิพอได้ค่ะแต่มีปัญหาว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้เวล า, างานยุ่งสติก็กระเจิงรบกวนพระอาจารย์แนะนำวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันค่ะ ก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำไปก็แล้วกันมีการกำลังทำงานก็อยู่จดจ่ออยู่กับงานที่เราทำคิดอยู่แต่เรื่องงานอย่างเดียวอันนี้ก็มีสติเหมือนกันอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่งั้นเวลาทำงานแล้วมันจะยิ่งสับสนไปอ่ะให้ใจเรามีสติอยู่กับการทำทำงานของร่างกายทุกเรียบทเลยถ้าเราพุดโธไม่ได้แล้วก็ดูงานที่เรากาลังทาอยู่ ให้กำลังเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินกำลังหวีผมก็รู้ว่ากำลังหวีผมกำลังล้างหน้าก็รู้ว่ากำลังล้างหน้ากำลังพูดก็ให้รู้ว่ากำลังพูดให้มีสติอยู่กับการทํางานของร่างกายไปก็เป็นการมีสติอีกแบบหนึ่งคําถามจากคุณวันนิสานะครับอยากฝึกนั่งสมาธิแต่ที่บ้านไม่อํานวยเลยเสียงดังตลอดจะทําอย่างไรดีให้จิตใจสงบได้เึิ่งเริ่มฝึกคัะ ถ้าเสียงดังก็ลองเอาที่เสียบหูฟังมาเสียบดูเสียบมันก็จะลดเสียงได้ในระดับหนึ่งถ้าหาห้องปรับอากาศได้แล้วเข้าไปปิดเข้าไปขั้งตัวเองอยู่ในห้องปิดประตูหน้าต่างไม่ให้เสียงเข้ามามันก็ก็ได้วิธีหนึ่งถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องไปหาวัดหรือไปที่ไหนที่สงบไปไปหน้าคำถามจกคุณชมนะครับ คนที่สวดมนต์ภาวนาแต่ยังมีกิเลสมากกับคนที่สวดมนต์ภาวนาน้อยแต่กิเลสก็น้อยกว่าอย่างไหนดีกว่ากันคะออกิเลสน้อยกว่าย่อมดีกว่าแน่นอนการสวดมนต์ภาวนานี่ยังไม่ได้กำจัดกิเลสการสวดมนต์ภาวนานี้เป็นการนั่งทำาล้ ก, ก็แผงฤทธิ์ได้คำถามจากคุณ ไอรอดนะครับสมาธิจาเป็นต้องนั่งขาข ว, วาทับขาซ้ายไหมครับหรือว่านั่งยังไงก็ได้คือถ้านั่งาตสมาดขวาทับซ้ายนี่เป็นท่ามาตรฐานท่าที่ดีที่สุดแต่อยากจะนั่งท่าอื่นก็ไม่มีใครห้ามแต่ถ้านั่งนานๆ น, านี่เขาจะนิยมนั่งให้เพราะนั่งได้หลายชั่วโมงนั่งกายมันจะไม่ล้มไม่เอนไม่เอียงแต่ถ้านั่งท่าท่าอื่นมันจะไม่สเสถียรมันจะเองไปมันจะล้มได้ คำถามสุดท้ายประจำวันนี้นะครับจากคุณฟุ๊กนะครับพระบรมสารีริกธาตุรวมทั้งพระพุทธรูปสามารถนำมาวางไว้ในห้องผู้หญิงวางไว้บนหัวเตียงนอนเพื่อสะดวกต่อการสวดมนต์ได้หรือไม่ของที่เป็นของที่สกสารา์น่าจะมีสถานที่ที่เราจัดไว้ฉเฉพาะจะดีกว่าเช่นโต๊ะโต๊ะหมู่ห้องพระหรือที่ไหนสักแห่งไม่ควรที่จะไปวางไว้ในที่ที่มันไม่เหมาะสม การที่จะสักการะนี้ไม่จําเป็นจะต้องเอามานั่เวลานั่งสมาธิไม่จําเป็นจะต้องนั่งต่อหน้าพระพุทธรูปหรือต่อหน้าพระธาตุหรอมันไม่เกี่ยวกันเพระาะธาตุหรือพระพุทธรูปนี้มีเป็นเครื่องเตือนสติเราเท่านั้นเองหรือเป็นที่ให้เราได้กราบไหว้ระ ล, ลึกถึงพระคุณของพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ดังนั้นควรจะจัดที่ที่เหมาะสมเพื่อแล้วเราจะได้ไปกราบไหว้สักการะได้หรือถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็ไปนั่งที่ที่ห น, น้าโต๊ะหมู่ก็ได้แต่ แตอย่าไปนั่งในห้องนอนเดี๋ยวมันจะนอนเร็วพอง่วงหายหน่อยก็ล้มหาหมอนเลย <c oughs> หมดด้วยยังจริงยังไม่หมดครับเลยเอาไม่ครับอะเอาอีสักหน่อยก็ได้ญาญุมอยากจะกลับไหมยังป้ามึองอีกแค่ห้านาทีก็ได้จานหน่อย จ, จากคุณวอนนิดานะครับเราพยายามรักษาสี่ห้าแต่มีบางข้อมารู้ทีหลังว่าปิดศีและ ได้เลิกทําสิ่งนั้นไปแล้วสีลจะขาดหรือเปล่าและจะบาปไหมไอ้ที่ขาดมันก็ขาดไปแล้วน่ะจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันก็ถ้าขาดมันก็ขาดขาดแล้วก็แล้วคนไปถ้รู้ว่ามันขาดต่อไปก็อย่าก็อย่าทําให้มันขาดก็แล้วกันสิ่งใดที่เราทําไปแล้วเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้มันเป็นอดีตไปแล้วอผลดีผลเสียมันก็จะเกิดขึ้นไปตามเหตุที่มันได้ทําไปแล้ว คำถามจะคุณอาทิตย์จะมานะครับเวลาท่านั่งสมาธิแล้วเราเห็นความไม่นิ่งคิดฟุมต้านแต่หยุดคิดไม่ได้ต้องทำอย่างไรคะแล้วจะทำอย่างไรให้วางใจาจากเรื่องต่างๆได้จริงๆเพราะบางครั้งวางได้บางครั้งก็วางไม่ได้วางไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธช่วยแหละบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรืใช้การสวดมนต์ไปก็ได้ ให้จิตเรามีอะไรยึดเหนี่ยวไว้เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะวางได้คําถามจากคุณวันนิสาเมื่อนั่งสมาธิแล้วจิตเราจะรู้เองใช่ไหมคะว่าสงบหรือไม่สงบแน่นอนใครจะไปรู้ถ้าไม่ใช่เราคํ <c oughs> าถามจากคุณโดมิโนนะครับผมเดินจ้งกลม แล้วจิตฟุ้งซ่านวัวนผงใจภาวนาพุทโธหรือปล่อยมันฟุ้งดีครับออต้องพุทโธอย่าปล่อให้มันฟุ้งเราเดินทวนเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิเพื่อใจให้สงบกําจัดความฟุ้งแล้วความฟุ้งจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติมีพุทโธดังนั้นต้องพยายามพุทโธให้มากๆ <c oughs> อย่าขี้เกียจคุณคัชรามีความสงสัยว่าพระอริยะ จากพระอาหารหันต์อย่างไรครับคือพระอาาริยะนี่มีอยู่สี่ระดับ เ, เรียกพระโสดาบันพระสะกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี้เป็นพระอาาริยะขั้นสูงสุดถ้าเปรียบเทียบก็เป็นปริญญาเอกพระอาาริยรูปอื่นก็เป็นปัญญาโทปัญญาตีตามลําดับ ม, มาคําถามจาก คุณหนึ่งนะครับนั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงแล้วไม่ไหวเจ็บขาเพียงพอไหมครับในเบื้องต้นก็ทำเท่าที่เราทำได้แต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็จะนั่งได้นานขึ้นและเราก็อยากจะผ่านความเจ็บให้ได้เพราะว่าถ้าเราผ่านความเจ็บได้แล้วเราต่อไปจะไม่กลัวความเจ็บเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกาย อันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเรานั่งผ่านความเจ็บได้คําถามแต่คุณกันนักธรม น, นะครับเดินจงกรมสามารถเข้าอัปปนาสมาธิได้หรือไม่ได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นกรณีพิเศษเช่นมีกรณีของหลวงปู่ชอบเนี่ยเสด็จหลวงปู่มั่นท่านชอบเดินจงกรมตอนคืนท่านเดินน่าถือตะเกียงเป็นโคมเป็นโคมเป็นโ ค, คมไฟใช้เทียนแล้วก็เป็นโคมผ้า ท่านก็เดินไปเดินไปในป่าเนี่ยแหละแล้วพอดีไปจ้าเอ๋กับเสือโค้งครับพอท่านเห็นเสือโค้งปั๊จิตท่านก็วุบเข้าไปในโน้มเข้าไปในอัปปนาเลยร่างกายหายไปเสือหายไปเลยบอกท่านไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นหรอกหรือสักแต่ว่ารู้อยู่นัพอจิตถอนออกมาเทียนโคงไฟที่ท่านถืออยู่ก็ยังอยู่ในท่าเดิมอยู่แต่เทียนนี่ไหม้หมดไปแล้วท่านก็เลยรู้สึกว่ามันเข้าไปจิตเข้าไปต้องนาน เลือก็หายไปเสือ ก, ไ ก, ก, ก็ไม่ได้มากัดร่างกายท่านไม่ได้ทําร้ายร่างกายท่มันต้องมีกรณีที่บังคับให้จิตเกิดความตกใจมากๆกลัวมากๆแล้วต้องมีสติดีๆถ้าสติไม่ดีมันก็อาจะทันที่จะเข้ามาันอาจจะวิ่งตะลอ ด, ดเปิดโปรงไปก็ได้หันหันไปทางนู้นหน่อยได้ไหมหันไปหันหน้าไปทางนูน้นไม่ลํำพงเองหันหน้าไปทางนูน้นมันจะได้ไม่ย้อนกลับมาครับ คำถามจากคุณฮอลลีแจนนะครับเวลาที่นั่งสมาธิเมื่อจิตจะรวมมักจะมีอาการเหมือนดิ่งลงไปในเหวลึก อ, อย่างดุลแรงและรวดเร็วจิตรู้ว่ากำลังจะรวมแต่ร่างกายมักจะสะดุ้งทุกครั้งทำให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้เจ้าค่ะโยมได้ลองแก้โดยการกำหนดพุโทโธแต่ก็ไม่เป็นผลเจ้ า, าค่ะควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อแก้ไขอาการนี้ก็ต้องอยู่กับพุโทโธและอยู่กับลมหายใจ อย่าไปอย่าไปอยู่กับอาการที่มันเกิดขึ้นเพราะถ้ามีอาการเกิดขึ้นมันจะมีการ ม, มีปฏิกิริยากับมันได้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนเดินหลับตาไปพอจะตกหลมุมตกบกก่ก็ปล่อยมันตกไปเลยให้อยู่กับพุโทโธพุทโธไปอย่าไปอย่าไปเร็งว่า เ, เรากาลังจะวูบแล้วากาลังจะอะไรแล้วให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคาดอย่าไปทะเล หมดหรือยังหมดแล้วครับอาจารย์แต่แต่เขาบอกว่าแก้โดยการกําหนดพุทโธแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะครับอาจารย์ก็ลองทำไปเรื่อยๆก่อนยังไม่อยู่กับพุทโธอย่างแท้จริงต้องอยู่แบบพุทโธจนกระทังรวมเลยว่ามันจะรวมหรือไม่รวมอย่ไปสนใจกับมันเลยให้สนใจอยู่กับพุทโธเพียงเดียวแล้วมันรวมมันจะรวมแบบทันทีทันใดแล้วเราจะไม่รู้สึกเราจะไม่มีเวลาที่จะไปมีปฏิกิริยากับมันเลย หมดแล้วครับพระอาจารย์หมดแล้วเนับมีมีเข้ามากี่คนตอนนี้ตอนนี้ก็เกือบสามร้อยครับพระอาจารย์สมอเออก็พอดีฝนหยุดพอดีเวลาก็หมดคนนี้แจ้งว่าชัดเจนครับชัดเจนเยได้ยินได้ยินนะอาจจะแบ้กราวดังหน่อยฝนเมืนเสียงฝนมันกระทบกับสังกะสีก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา